รวมใจของตนให้แน่วแน่อยากนักจากหนาทีเทอนีจะมีโอกาสได้มาฝึกผนอบรมจิตใจนี้เพราะคนส่วนหลตกเป็นทาสแห่งตัณหาตัณหาครอบงมทนต่อความอยากไม่ไหว ไม่สามารถที่จะมาพากตัญหาจา ก, ก จ, จิตใจได้พวกเราได้ชื่อว่าเป็นราบอันเริดที่เราได้ปลีกตัวออกมาสู่ที่สงบส ง, งัดบำเพ็ญเพี ย, พยพรภาวนาะทาง จ, จิตใจ ทำใจให้สงบจากกิเลสอนุนันเป็นทุกข์มาในสงสารชาติแล้วชาติเล่าอยู่นี่ก็เพราะกิเลสนีนเองพดเป็นผู้ที่ไม่มีกำลังแข็งแรงที่จะเอาชนะกิเลสได้ เยตุดักิเลสถึงได้พาเกิดมาแล้วก็แก่เจ็บตายการเกิดแก่เจ็บตายไม่ใช่ของเป็นสุขสบายเป็นทุกข์คนผู้ที่ไม่ตกเป็นทาสแห่งกิเลสตัณหามากเกินไป ก็ย่อมมองเห็นมองเห็นว่าความเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์จริงๆผู้ที่ตกอยู่ในอำนาจแห่งกิเลสตัณหาย่อมไม่เห็นทุกข์แห่งความเกิดเป็นต้นได้เห็นว่าความเกิดมาดีในเกิดมาเป็นคนสนุกสาานาน มีเงินทองใช้จ่ายมีข้าวกินมีเรือนอยู่มีผัวมีเมียไหวเชยชมแล้วก็เป็นสุขสบายดีคนส่วนหหายมักแกเห็นไปอย่างนี้เหตุต่างนั้นมันจึงได้บรบลาข้าพันกันแย่งชิงอะไรต่ออะไรกันแย่งชิงของรัก ต่อกันแลกกันต่างคนต่างก็ตกเป็นทาสแห่งความรักความใคร่ใครก็อยากได้สิ่งที่ตนต้องการถ้าจอเกิดแย่งชิงกันขึ้นมาบังเอิญไปรักไปต้องการของสิ่งเดียวกัน ก็เลยต้องแย่งกันใครดีก็ใครได้มาใครไม่ดีก็าตายตายแล้วร่างกายนี่ก็เน่าเปื่อยผุพังไปจิตนี่ก็ไปตามยถากรรมทำบาปไว้บาปก็นำไปตกนรกอบายภูมิ ทำบุญไว้บุญก็นำไปเกิดในที่สุขสบายตามกำลังของบุญนั่นนั่นเกิดมาแล้วก็มาแก่เจ็บตายอีกเป็นวัตฏะบุญอยู่อย่างเนี้ยชีวิตนี้นะถ้าไม่ลา ก, กิเลสตนะาอาวิชชานี่ถามใดก็จงกิวุนเกิดตุนตายอยู่อย่างเนี้ย แต่คนเรามันหวงร่างกายในหนักหนาไม่อยากตายอืมอยากเกิดอีกอยากมีร่างกายอย่างนี้อยู่อีกต่อไปมันสนุกสนานดีเวลายังวัยหนุ่มวัยสาวแต่งตัวโก้ๆแล้วก็ไปเที่ยว อวดกันนะกันไปเที่ยวชมภาพพยนต์กลไกลต่างๆไปอวดรูปโชมกันให้จะสวยงามกว่ากันแล้วก็ไปหลอกตาผู้หญิงก็หลอกตาชายทำให้ชายหลงรักผงใครไป ในโลกธนิวัตอันนี้มิตรเรื่องหลอกลวงกันเป็นส่วนใหญ่เอาของไม่เที่ยงไปงยังเย็นไปหลอกกันเอาของไม่สวยไม่งามไปหลอ ก, กว่าสวยว่า ง, งามเพราะว่าตกแต่งทาแป้งทาน้ำมันหอมน้ำอกน้ำหอมเดินใกล้กันก็หอมห้วน ยวนใจให้เกิดความรักความใคร่มีตลอกตาลวงใจกันทั้งนั้นเลยไม่ใช่อย่างอื่นได้เรื่องนั้นเราผู้ปฏิบัติธรรมก็อย่าให้ถูกหลอกตาลวงใจต้องรู้เท่าทันเพราะ รูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสเหล่านั้นนะ่ะมันเป็นเครื่องหลอกตารวงใจทำให้ติดทำให้คล่องอยู่ในโลกนี้เมื่อได้ทิงนั่นมาแล้วก็ต้องแสวงหาเงินทองเข้าของมาบำลุงไม่ใช่ว่ารูปทั้งหลายนั่นได้มาแล้วจะเป็นเหมือนพระพุทธรูปบูชา ตั้งไวเ้เฉยๆมันก็อยู่ได้มีชีวิตชีวาอยู่ได้อย่างนี้ไม่ใช่มันต้องขนขวายหาอาหารการบริโภคเครื่องปัจจัยอาศัยต่งตางๆมาบำรุงปนเปอือจึงก็อยู่ไปได้ถึงพอมีความสุขอยู่บ้าง เป็นอย่างนี้นะเดวพิจารณาให้มันเห็นอันนี้ที่พระพุทธเจ้าตรัสธาติความเกิดเป็นทุกข์ก็เกิดมาแล้วมันตกเป็นธาตของปัญหามันกากกรรมลำบากหาเงินหนาทองหลังสู้ผ้าหน้าสู้เด่นก็จะได้เข้าของเงินทองมาเลี้ยงอัตภาพอันนี้แสนยากแสนลำบาก บางคนก็เลยถูกฆ่าตายเพราะว่าไปขัดผลประโยชน์กับผู้อื่นเข้าไปเช่นนี้ผู้อื่นก็จ้างมือปืนไปยิงให้ตายเสียมีมากมายกายกองสมัยทุกวันเนี้ยแล้วมีเที่ยงยั่งยืนอะไรล้วร่างกายอันเนี้ย พอที่เราจะมาหวงเห็นพอที่จะแสวงหาความสุขจากร่างกายนี้ได้ภาวนาพิจนาดูให้ดีไม่ได้หรอกมีแต่เป็นทุกข์แสวงหามาเรียงมันตอนนั้น่ะร่างกายนี่นะเพราะไม่ได้ทานเข้า วันหนึ่งก็อยู่ไม่ได้เมืม่อเป็นเช่นนี้มันจะมีความสุขมาอย่างไรอะ่ะความสุขลองค้นหาดูสิจะไปเอาตรงไหนเป็นความสุขไม่มีไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีความสุขสุขก็สุขชั่วแล่นเท่านั้นแหละได้นอนหลับ มันก็ว่าเป็นสุขได้รับประทานอาหารอิ่มไปก็ว่าเป็นสุขท่งนั้นเองเนี่ยได้เพลิดเพลินในกรามวุณก็ว่าเป็นสุขสุขเหล่านี้ล้วนจะเป็นสุขชั่วคราวทั้งนั้นเลยไม่มีอะไรยั่งยืนดังนั้นผู้ปรพฤต พมจันทร์จึงควรพิจารณาให้มันเห็นด้วยปัญญาตาใจของตนว่าไม่มีสาระแก่นสารอะไรที่เราจะไปสเสวงหากามคุณเหล่านั้นด้วยความทุกข์ความยากความลำบากหลังสู้ฟ้าดาสู้ดินอาบเหงื่อต่างน้ำ หาเงินหาทองหาไม่ถูกช่องก็เลยไม่ได้เมื่อไม่ได้เงินก็เดือดร้อนแล้วเข้าจะกรอกหม้อ ก, ก็ไ ม, ม่มีบางคนก็ไปอาศัยพ่อแม่กินพ่อแม่ทำหลักฐานบ้านเรือนไว้แล้วมี การมีงานทำมีรายได้มาไอ้ลูกนั่นใหญ่มาแล้วหาเลี้ยงตัวก็ไม่ได้พึ่งตัวเองไม่ได้ก็ไปอาศัยพ่อแม่เป็นอยู่ไปอย่างนั้นเแนบบี่ยหน้าทุเรช จ, จริงๆคนเราตกเป็นทาสแห่งตันหานี่ทำให้ เป็นทุกข์เดือดร้อนไปทั่วทุกแห่งทุกหนมเมื่อชายเดือดร้อนแต่ตนคนเดียวเดือดร้อนทั่วไปนั่นแหละผู้ใดคล้องอยู่ในกามผู้นั้นน่ะย่อมเป็นทุกข์เดือดร้อนไปอืก็องค์เจ้าทรงแสดง ทอแห่งกรรมบุคคลไว้ถึงสิบอย่างอุปมาอุปมาไว้กามทั้งหลายเปรียบเหมือนสัตว์ที่ตายแล้วบรรดาพวกสุนัขชิ่งจอกสุนัขบ้านหรือแร้งกาก็ไปยื้อแย่งกันกิน ตัวไหนมีกำลังก็ได้กินหลายกว่ากันตัวใดมีกำลังน้อยก็ได้กินน้อยอฉันใดการมมคุณทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นแนะ่ะรูปเสียงกินลดก็รูปต่างๆไม่ใช่มันสวยงามเหมือนกันหมด น้อยรูปที่จะสวยงามบังเอิญมีรูปหนึ่งนะั้นสวยงามขึ้นมาน้วเอาแล้วใครก็จ้องตาใส่รูปนั้นเหมือนกันหมดลเลยนั่นะเหตุสายเหตุทิมจะได้แย่งกันดีไม่ดีก็ฆ่ากันตายอืมความจริงรูปนั้นไม่สวยไม่ได้งามอะไรเลย มีหนังหุ้มหยอ ย, อยหุ้มอยู่เฉยว่าสวยงามถ้าหลอกหนังออกไปแล้วมันก็มีแต่โลหิต ด, ดำโลหิตแดงโลหิตขาวไหลออกมาจากภายในเอาให้ใครใครเขาไม่เอาเมื่อเห็นเช่นนั้นแล้วมันโศโครกนี่แต่จว่า อย่าให้สิ่งเหล่านั้นมาหลอกตาลงใจเราผู้ปฏิบัติธรรมต้องพิจารณาให้ซึ้งลงไปถึงความจริงเมื่อรู้ถึงความจริงแล้วมันก็หายอยากหายตองกันถ้ารู้แต่ผิวเผินนี่มันก็อยากอยู่งั้นแหละรู้แต่ผิวนอกนะ เมื่อเขาตกแต่งประดับประดาด้วยทองคำด้วยแหวนเพชรด้วยข้อมือทองคำเส้นใหญ่เบอ้อเล้อบ้าลาแต่งตัวหลายสีหลายหลากชุดขาดเท่านั้นแหละเห็นเข้าแล้วแม้แถบช็อกตายเลยประเดียวว่ะ แต่ความจริงสิ่งเหล่านั้นล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงเครื่องประดับก็แต่งทั้งหมดไปๆมามาก็สาบสูญลงสู่พื้นเด่นแผ่นดินนี้ละไม่ไปไหนอมจมอยู่กับดินกับน้ำนี้เองนะกระดูกกระเดี่ยวอะไรก็ฝังอยู่กับดินนี้เองไปเผาแล้วก็ เหลือแต่เท่ากระดูกเท่านั้นอันอื่นไม่มีเราจ ะ, ะ, ะพิจารณาให้มันเห็นรูปอันนี้ท่านเรียก ว, ว่ากรรมมัชจรูปรูปอันกรรมตกแต่งกรรมดีกรรมชั่วที่แต่ละคนทําเมาแต่ชาติก่อนน แ, แต่กรรมดีกรรมชั่วนําจิตมาเกิดในท้องของมารดา อาศัยธาตุมารดาบิดาเป็นอยู่แล้วบุญกุศลนิทรรมาแต่ะกพาะก็ตามมาตกแต่งตาหูจมูกเล่นกายมือเท้าอาวัยวะต่างๆให้จิตนี่ได้อาศัยเท่านั้นเองอเมื่อครบท่วนแปดเก้าเดือนแล้วก็คลอดออกมา เป็นหญิงบ้างเป็นชายบ้างคลอดออกมาแล้วก็นึกว่ามันจะใหญ่เองมันไม่มารดาเป็นภาระหนักเลือเกินเลี้ยงลูกซักผ้าที่ตีผ้าเยว่ป้อนข้าวสารพัดเพราะว่าลูกเงึงน้อย ช่วยตัวเองไม่ได้เลยเห็นหน้าตาโมลาะไม่และอ้าวเกิดระลูกขึ้นมาแม้แต่คนอื่นมาเห็นเขาก็รักอไอ้โลกมนุษย์อันนี้เจ้าอะไรเนะ่มันหลงมันหลงสมมุติเนื่องจากความไม่ได้พิีนา ให้ลึกซึ้งเข้าไปเช่อนอย่างเหมือนบุคคลไปหาไม้ในป่าไม่พิจารณาให้ละเอียดนึกว่าจะเอาไม้มาทำเสาเรือนเครื่องเรือนปลูกเรือนให้ถาวรอยู่ก็ไปตัดเอาไม้ที่ไม่มีแก่นนั้นมา เอามาทำเรือนก็ไม่นานเท่าไรก็ผุไปมอดกินผุพังไปพระพุทธเจ้าอุปมาไว้จริงๆข้อนี้นะมันก็เหมือนกับคนที่เกิดมาในโลกนี้แล้วไม่รู้จักของไม่เที่ยงของไม่มีสาระเก่นสารเห็นตั้งแต่ภายนอกนี่มัน สวยๆงามๆล้วก็เลยรักใครพอใจเท่านั้นเองแสวงหาได้มาแล้วก็มาประครบป่ะหงมของที่ได้มาไม่เพียงไม่ยังยืนเช่นร่างกายของคนเรานะเป็นอยู่ด้วยอาหารถ้าขาดอาหารจเราอยู่ไม่ได้เลย นี่ต้องแต่และ ว, วันล้ ว, วันต้องหาอาหารมาเลี้ยงมันแสนยากแสนลำบากคนที่ทำบาปเพราะาหาอาหารมาเลี้ยงร่างกายอันนี้มีเกือบร้อยเปอร์เนโรคอันนี้ไปจับสัตสว์สิ่งม่อค่าต้มแกงเลี้ยงมันอย่างนี้นะมัน ใครจะไม่ได้สร้างบาปดูมันแท้จะไม่มีเลยคนในโลกอันเนี้ยไม่ที่จะไม่ได้สร้างบาปเพราะร่างกายอันนี้นะอืมต่างแต่มากแล้วน้อยกูกันเท่านั้นเองนะดังนั้นพระพุทธเจ้าจัดว่าคนเรามืดอตายลงไปแล้วมันก็ไปตกนรก แออดกันอยู่ในนรกเหมือนเขาสารยัดอยู่ในไทยอันนี้มีจริงๆอยู่ในตำรานนคนไปสวรรค์เหมือนเขาวัวคนลงนลรลกเหมือนกับขนวัวอันนี้ก็มีอยู่ในตำราอนน้องคิดดูที่เขาวัวมีสองเขาเท่านั้นละตัวหนึ่งตัวหนึ่ง แล้วขนมันมีหลายล้านท่นอุปมาว่าคนตายคนทาบาปตายแล้วไปตกนรกเนอะเหมือนกับขนวัวอยู่ในตัวของวัวนั่นนะ่ะ น, นย่างนั้นคนทาบุญกุศลละชั่วทาดีฝึกขนอบรมจิตใจให้มั่นอยู่ในศีลในธรรม ตายแล้วไปสู่สวรรค์เหมือนกับเขาวัวมีน้อยเดียวมีน้อยเดียวคนไปสู่สวรรค์เรื่องในพานแล้วยิ่งน้อยอพระพุทธเจ้าทรงบังเกิดขึ้นมาในโลก เป่นอยา่างพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยมาบังเกิดในโลกนี้สมัยลงมาแล้ว 2,500 กว่าปีพรอองค์ก็สอนคนให้ละชั่วทำดีได้มีปริมาณไม่มากเท่าคนที่ไม่ทำความดีทำบาปทำกรรมมีมากมายกายกอง พวกนับถือรัฐที่อื่นเยอะแยะเลยพวกนับถือรัฐที่อื่นเขาไม่รักษาศีลแล้วอืมนอย่างนั้นคนเราถึงแม้พระพุทธเจ้าจะบังเกิดขึ้นมาในโลกก็ตามบุคคลผู้หนาแน่นไปด้วยกิเลสตัณหาอาวิชชาความโมหะความหลงผิด คอบงำจิตใจอยู่แล้วมันมองไม่เห็นว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประเสริฐอย่างไรมองไม่เห็นนี่ไพวกเรานี่นะ ว, ว่ามีบุญนั ก, กไก่พอได้นะเรามองเห็นว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประเสริฐในโลกพระองค์ลากิเลสขาดจากคลาสันทสันดาลจริงๆ เป็นบุคลคลควรไหว้ควรบูชาควรถวายทายาทานพวกเราชาวพุทธย่อมมองเห็นพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประเสริฐอย่างนี้แต่การมองเห็นว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประเสริฐแล้วตอนที่ ลงมือปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นน่ะนั่นแตกต่างกันเลยวนันนี้บางคนคนส่วนหลายก็นับถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งแต่แล้วเมื่อเวลาลงมือปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วก็บางคนก็ได้น้อยปฏิบัติตามได้แต่น้อยบางคนก็พอปานกลางบางคนก็ปฏิบัติตามได้มาก ไม่เหมือนกันเลยศรัทธาของคนเนี่ยบางคนก็ได้แขกินกินทานทานไปตามอภเพณีนั่นแหละเป็นส่วนหลายเลยเรื่องศีลก็เพียงแต่ว่าถ้าให้ศีลก็ยกมือว่านมนอมตามไปเท่านั้นเองเนี่ย พอออกจากวัดไปแล้วศีลก็หายไปแล้วเป็นองั้นมีศีลอยู่แต่ในวัดเท่านั้นเองภาวนายิ่งแล้วใหญ่เลยฟังธรรมก็ยิ่งแล้วมีน้อยสนใจคันวัชษายกเขาประกาศว่าตอนนี้ไปเชิญฟังธรรมนะว่ากัน ลุกฮือขึ้นไปแล้วบายคนอีิะทางยังเหลืออยู่ไม่กี่คนเมื่อเป็นเช่นนี้เราจะพ้นทุกข์ไปได้ง่ายยังไงอ่ะเพราะว่าบุคคลชอบกิเลสนี่ชอบหล่อเลี้ยงกิเลสตัณหาไว้ในใจมากมายไม่ยอมละไม่ยอมทิ้งมันดังนั้น พวกเราได้เชื่อว่าเป็นลาบอันประเสริฐที่เราเห็นโทษของกิเลสแล้วมาจำทิ้นภาวนาอยู่ในวัดมาบวชนุ่งเหลืองห่มเลืองนุ่งขาวห่มขาวสมทานศิ้นอยู่ในวัดประพฤตเหมือนอย่างพรมเรียกว่า เราไม่ยินดีไม่ยินได้กับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทำจิตให้เป็นกลางต่อสิ่งเหล่านี้นั่นะท่านเรียกว่าประพฤติอย่างพรหมเรียกว่าประพฤติพรหมจรรย์เมื่อเห็นเพศโกงกันข้ามก็บเฉยเฉยพี่นายเห็นเป็นแต่ธาตุตีดินน้ำไฟลมเหมือนกัน กับรูปที่เราอาศัยอยู่เนี่ยนะเหมือนกันนะจะต่างเพศกันบ้างก็มันก็เป็นธรรมดาอันเรื่องเพศอนะันนั้นก็ต่างกันนะแต่พูดถึงสาเพราะว่าธาตุที่กอตั้งขึ้นเป็นรูปเป็นกายอันนี้อันเดียวกันนะธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเหมือนกันนะอ่ะอเป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้น นักปฏิบัติทำนะอย่าไปยอมแพ้เถอกิเลสตัณหาง่ายๆต้องสู้ต้องเจริญพระกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ดังที่นำมาชี้แจงแสดงให้ฟังนี่แหละผู้ใดทำตามนี่ย่อมเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่าย ไม่ฝ่าถนาในรูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสต่างๆเหล่านั้นผู้นั้นก็ไม่เป็นทุกข์ไม่เดือดร้อนหลายอย่างเช่นเรามาเป็นนักบวชอย่างนี้แหละไม่ได้ทุกข์ได้ร้อนอะไรไม่ได้ไปทำมาหาเลี้ยงจีบไม่ได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ได้ทำบาปทำกรรมอะไร หลังไม่ได้สู้ผ้าหน้าไม่ได้สู้ดินเหมือนอย่างผู้คล้องเรือนทั้งหลายนี่เป็นทุกข์ก็ทุกข์เพราะทําความเพียรเพื่อลักกิเลสเท่านั้นอันนี้ทุกข์ดีเมื่อเมื่อเราเอาทุกข์เป็นทุนทําความเพียรลักกิเลสนั่งสมาธิภาวนาเดินจงกรม เ่อาไปไม่ท่องไม่ถอยแล้วภายหลังกิเลสมันเบาบางไปจา ก, กจิตใจความทุกข์มันก็เบาไวหายไปความสุขมันก็เกิดขึ้นมาแทนนี่แล้ ว, ว่าเราเอาทุกข์เป็นทุนเอาความสุขเป็นกำไรการเป็นนักบวดนี่นะคิดดู啊 อย่างผู้คองเรือนทั้งหลายนั่นเอาทุกเป็นทุนเอาทุกเป็นกำไรหมุนเวียนกันไปอยู่นั่นแหละให้พากันพี่นะให้มันรู้มันเห็นด้วยใจของตนเองผู้ที่ได้บวชเข้ามาแล้วนะถ้าไม่จำเป็นจริงๆอย่าไปคิดศึกษาลาเพศอืม มันลําบากเหลือเกินโลกอันเนี้ยผู้ใดทรมานตนให้กิเลสตัณหามันเบาบางลงไปแล้วการประพฤติพรหมจรรย์เป็นนักบวชอยู่นี่แสนสบายเลยผู้มีจิตใจเป็นกลางอยู่ไม่รักคนนู้นไม่ชังคนนี้รักษาจิตให้เป็นกลางได้อยู่เนี่ยนะแสนผูกแสนสบายอืม ส่วนร่างกายนี่ก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ บ, บำรุงเลี้ยงมันไปวันละมือวันละมือไปมันก็อยู่ได้ถึงเวลามันแล้วมันก็แผลปนแตกดับทําลายไปเท้านั้นเองรูปกายนี้นะแล้วจะไปเอาอะไรกับมันนะอืมแต่คนชนว่างมันหลงนึกว่ามีร่างกายอันนี้แล้วก็ ไปสแสวงหารูปอันสวยงามมาเป็นคู่เคียงเรียงหมอนได้เฉยชมนั่นโอ้ดีหลายเป็นสุขหลายเพนว่าเ น, นี่แท้ที่จริงแท้ต่างคนต่างก็ชื่นสมกับรูปอันไม่เที่ยงไม่ยัง่งยืนรูปอันเต็มไปด้วยสิ่งโสโครกถูกกรปกนี่ทั้งนั้นแหละ อันที่มันมันน่าดูน่าชมมีกสักหน่อยก็เพราะล้างมันเพราะอาบน้ําถัดถูด้วยสบู่และผงซักกอกเหงื่อไครออกไปมันก็จึงค่อยพอหน้าดูน่าชมได้เท่านั้นเองนะถ้าวันไหนไม่ได้อาบน้นํนาชำระกายแล้วลองดูอ่ะนั่นแหละ พี่นาดูให้มันเห็นพระพุทธเจ้ากริาาพาสสาวกทั้งหลายท่านจะละ ก, กิเลสกันหาได้แทาก็เพราะว่าม อ, มองดูร่างกายสังขารนี่แนหะเพราะว่าร่างกายอันนี้เป็นที่อาศัยของจิตจิตหวงแหนนักนาะเมื่อยังไม่รู้แจ้งนะ เมื่อมาฝึกจิตนี้เข้าไปภาวนาเข้าไปจิตสงบลงไปแล้วปัญญาเกิดขึ้นและจึงสอดส่องมองดูวอวัยวะน้อยใหญ่ต่งตางๆเหล่านี้แล้วมองเห็นว่าไม่มีอะไรเที่ยงยั่งยืนไม่มีอะไรสวยงามมันเห็นเช่นนี้แล้วมันก็เกิดนิพพทาเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายความกำหนับ การคลายโองกํำนัดนี่มันก็คลายบางทีก็คลายไปได้ช่วระยะหนึ่งเดี๋ยวก็กลับยินนี่ก็ยังว่าทําความเพียร น, นะเป็นอย่างนี้แหละไม่ใช่ว่าพอทำความเพียรลงไปแล้วมันเผลอมันกําเริบขึ้นมาอีกจิตใจวันไหวเวลากับวันไหวไปเลย ไม่หักไม่ห้ามไม่ให้ไม่สะกดจิตอันนี้เลยอย่างนี้มันก็ไม่ได้ผลแหละไม่ได้ผลการปฏิบัติการบวชก็ไม่ได้ผลเลยเป็นอย่างนั้นฉะนั้นเราต้องมีความเพียรมีความอดทนต่อสู้ลม้มลงไปแล้วก็ลุกขึ้นมายืนได้อยู่ไม่ใช่ ไม่ใช่ล้มลงแล้วจะลุกไม่ได้คนเราลุกได้ยืนได้นั่งได้นอนได้จิตใจนี่ก็เหมือนกันอย่างนั้นเนี่ยเมื่อมันล้มละลายไปตามอารมณ์ต่างๆภายนอกรู้ตัวแล้วก็เพ่งรู้อยู่ภายในสติอย่างเข้าไปเพ่งกำหนดรู้อยู่ภายใน สะกดความรู้สึก น, นั่นไว้เมื่อมันหยุดลงแล้วความคิดทั้งหลายหยุดลงแล้วอารมณ์แห่งความรักความใคร่ต่นนั้นมันก็ดับไปหมดไม่มีปัญหาอะไรอ่ะถ้าบุคคลไม่ทวนกระแสะเข้ามาหาความรู้สึกอันนี้นะมันก็ไปเรื่อยเปื่อยแล้วไม่มีไม่มีที่หยุดยั้งได้อม ก็ เ, เลยโทษเอา่าบอกเราในภาวนาไม่เพลยหรอกทอํายังไงจิตใจก็ไม่อยู่นี่แหละมันจะอยู่ได้ยังไงเพราะมันไม่รู้จักต้นตอของกิเลสกิเลสมันเกิดจากอะไรไม่รู้ว่าถ้ารู้ว่าจิตที่มันเพลินไปในความรักความชัง ่ะนั้นเพราะมันเกิดจากจิตตรงนี้ความรู้สึกนี้มันไ ม, นมน่มันไม่เกิดจากที่อื่นทวนกระแสจิตความคิดลึกเข้ามาหาความรู้อันเนี้ยเมื่อสติระลึกเข้ามาหาความรู้นีได้แล้วก็ออจริงมันเกิดจากนี้เมื่อสติเข้าไปควบคุมความรู้สึก อันนี้ได้แล้วความคิดความกำลังยินดีความรักความชังความอะไรก็มันก็ระงับไปอ่ะเพราะว่าจิตไม่สร้างมันขึ้นมาสติยับยั้งไว้ได้บ่เนี้ยสติยับยั้งความรู้สึกนี่ไว้ไม่ไม่คิดไม่ปรุงไม่แตง่งมันก็ยุติลงนี่แหละ พยายามทำอยู่นี่นะงานก็สติมันแก่กล้าแลวมันก็รู้เท่าทันในแบบนี้นะเมื่อมันจะเผลอคิดนึกไปในกามอารมณ์ต่างมันก็รู้ตัวได้แล้วมันก็รีบสํารวมจิตทันทีรีบเพ่งอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าไปเมื่อความจริงมันปรากฏในใจอย่างนั้นแล้วมันก็ คลายออกไปเหลือจิตก็รวมลงเป็นหนึ่งก็มีสติรักษาความเป็นหนึ่งอันนั้นไว้จนกว่าจะสมควรแก่เวลานี่ขอให้ยึดเอาหลักอันนี้ปฏิบัติไป